4. โภชนวัตรเวิกาลโภชนะสิกขาบทว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิการเรื่องพระสัตรรสสวคี 247. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชเครื้อครั้งนั้นในกรุงราชเครื้อมีมหระพ บ, บนยอดเขา พวกพิสูตสัตตะรสาวกีได้ไปชมมหหรสพพวกชาวบ้านเห็นพวกพิสูตสัตตะรสาวกีแล้วจึงนิมนต์ให้ส่งน้ำให้รูปไล้ของหอมให้ฉันประธ า, ารแล้วถวายของเคี้ยวพวกพิสูตสัตตะรสาวกีนำของเคี้ยวไปอารามแล้วได้กล่าวกับพิสูตชัพคีดังนี้ว่าท่านทั้งหลายนิมนต์พวกท่านรับแล้วจงฉันของเคี้ยวเถิดขอรับพวกพิสูตชัพกีถามว่าพวกท่านได้ของเคี้ยวมาจากไหน พวกพิสูสตสัตตะรสาวะคีจึงแจ้งเรื่องนั้นให้พวกพิสูตชาวบัคีทราบพวกพิสูตชาวบัคีถามว่าพวกท่านฉันอาหารในเวลาวิกาลหรือ <bask więcej> พวกพิสูสตสัตตะรสาวะคีตอบว่าใช่ขอรับพวกพิสูตชาวพัคีพากันตำหนีประนามโพลทนาว่าฉนัยพวกพิสูสตสัตตะรสาวะคีจึงฉันประธารในเวลาวิกาลเล่าแล้วพวกพิสูตชาวพัคีจึงแจ้งเรื่องนี้ให้พิสูตทั้งหลายทราบ บรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพวกภิกษุสัตตะรสาวกีจึงฉันพระทหารในเวลาวิการเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิพวกภิกษุสัตตะรสาวกีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ